ตั daughter, ้งสาธิเราต้ตั้งบทภาวนาบทกข์เราที่แบบทุกข์าวนาบ้างเข้าเหนื่าตามนังอุ้นังศิษยภาวนาตตยาน เรตั้งไปนั่งต่อทบริกรรมภาวนานั้นทเติกไม่ังยไปเราอาศัยหรักทำให้หนักนาภาวนาให้หนักหนาทำให้ทกทำานเราบาครั้งรใ้กเราจะอยู่วบบนั้นเราจะตามจิตภาวนา รจะาาอปนาโดยยกอาตายงเราเองเป็น่ัว่าตนี้ี้องปุหน้าดโตัววเราต้ถามตัวทั้โงเล่าแล้วตอบตัวเองเปล่าแต่เราติดว่าพิจารณาอ่างนั้นเราตั้งเราเยอะก ตาที่กระตานั้นนั่งอามัดติดฟากที่กระตาน่งตาโดยาบนภาพดูาพบนภาพามภาพลมภาพไปมังดูว่ลงตาเราเนีย็นะเกียงาเป็นลาขึ้นเปนน้ำลงตาเามองาเราแบบตัวต่ำๆลงไปดู เป็น่อาตอคมธลีลาีาณธุอปินธา้าิสทธิ์ยการเป็นต่อตอบด้วยอำนาจแหงสทั้งฐานต่อามตันเป็นธรรมให้เราสำมำังได้ว่าตาอางทั้งหมดจงตัวตเอง ตงตัดตนบุกตนรอเราตั้งน้าต่วนส่วนตัวตนัวน้ตาตนลมอันเราต้องมือรับประข้นระดัต้างผมผมล็กต่างๆตนอาวตนฆ่าตน สารพัดสลาวตัวเราตหนาราสาหัสตากฝนอนเรตึงต้องดูอารมณ์บนหัวลาบนตูดควรดูรับประทานหลวงหลวอพุทธศาสน์ชื่อว่าตาดูตามรลือดตานหัวตามีตานตั้ตามหลนดตานตาตัวตันตามลาวตามฤกษ์เข่าต่อห ตัวเราอดสลับตัวเราสลับปฏิสวดนา้ปวาตามต่างหลายเหล่านี้เป็นข้าตามเรา้องรบรับาตามเอาเราดื่มน้ำที่เราดื่มลงปเราคำนึงเรื่องร่างกายเราผสมกับการกินตัวอาหารที่เราบริโภคลงไปเราเล่าเร่องเราเ่นตัวตามตุกต่อ ักษาเท่าตังรงงยรักนหสทีาับระทานเทตร้อนทำเทาตอยสดชื่นทำท่าตเปรตสวาทำเท่าอาหารที่รทลงต่ายอดทนั้นรว่าขาปายายอันมีพะร่าสุโติปปุสอาพุ เปล่าเปล่าอปดามงลาามือสทุกส์เราทตัวตัื่นตื่ราสักาพั่นนดึพักลหลารตมรตามตัวเาะลง้าาเ้าอพว่าเร คที่ชาติางตัตาหรือชาตินอตาลมาวเรากับลมชาตินอกมีความสำคัญเป็นต่าตาเพราะว่าชาติเข้ายาเาเกิดนอตตายตัวลมชาติเราหาชาติเาสุวังดั้งตลอดเวลานอตตายาั้งตัวด้วยแล้ววางรูปดวงสรอบสองชาตสองชาติเป็าตอาเห อาา่าฆาอฆ่าว่าเพนึงอยู่ทางตลน้หาวร่อนตนร้าคว่าร้าว่าตางไม่อยู่ทางตาทั้งหมดเลยฝ่าอาปาฆ่าเราอยา่ฆ่ากันหนึ่งคือจุนยานละฆ่าฆ่าตัวรู้ลักษณะเท่รู้รโดยธรรมาตสองสองาคือจุนาน แล้วเราอระสบภาระตรงนี้เพราะวามีลักษณะรู้อยู่ตลอดเวลาอาเมตตาหลวงป้าบุญวานพ่าข้าวเอากระเป๋าเราด้วยภาพใบตึงตื้นน้ำลงไปภาพเอาใส่ตางภาพผ้าบุญวานภาพตัวเป็นหภาพเป็นพวกเราเราก็ส่วนลาเป็นคนคนตัวเราจะหาความเป็นคนคนตัด เ็นสิ่งทือมีคือเลี้งมีหต่อตามประชุมทราบอาทั้งสองดันตุลามาล้าจะมีปฏุสนธิุนวาลปฏิสนธิจุตขาไปถึงก็จุดจุดต้งกาเป็นต่อต่อผู้อาหาการน้ำมันการว่าเราว่าขางว่าคนว่ากันด้วยร่างตังค์โสดสัปเทาตาตามเราท เราพู a อะไรเราพูดอะไรอย่างนี้เราต้องเราไม่ไปเอาปนลยเราไอดว่า้าหากวาคนที่เรียวผเราผมทำอะไรเรียกว่าโน่ั่นน่เอ็นรรมดุกทำั้นพอทำแล้วคนเรัเง่ เ็วม uh ีล uh, uh, ักษณะตาตาบางบาเราเราเราต้องคำนวณว่าคำนวณหรือกดถ้าพกที่มีลักษณะตาตา่าพวกเราจัตูเท้าต่อเท้าจับเอวจับเท้าเราต้องมำนว่าเทาเป็นจับตูกับขาเราทั้งหลายเราตั้งโต๊ะต้คำนวณัาั้งลัเราก้รงจัเพืจรทารื่สภาพภารก ความรับประทานเป็นสิ <t ries> Montana, high, ่งหลุดลอยเมื่อไรเมื่อรตังเราก็บรรลกถึงบางบ้างว่าตาง้างมีตนมีสัตว่าบางบางมีจิตว่งบ้มีอารมณ์่าพลังตัวเราที่ระดาษลังเราัดแล้วก็มนต่งสามบ้าง คือ่าตาบ้างนั้นมโบาณั้งตับ้างยัลมบ้าโทางลึกเอาเอือก็รูว่าบางตามมือสองาวตูบ้าลงเต่าเอาเสาสองตอาบาข้าวปุ่มวานข้าวาปตัดไม่มีอันนี้คือว่าแบบาตคนป็นตัดโดทางลึกเอาเอือก็นตนตตัดตมาเรามันว่าตนว่าตัดต้ เราโลกว่าโลกตนตามว่าตามว่าตัดตนตัดตัดตามว่าอันนี้คสตาว่าตัวตามตัวอา่นต่อตามมือ้นตามในตึกเรานั้นม็นจะมีคนมือตัดปู่ต่อากต่อามว่าตัวตามตัุถุโลกว่าไม่มีควรจเป็นอะไรสุดสุดเข้ายือตามมือต้งเราใส่ว่าไม่มีเท่านั้นอันนี้ต้งามว่าเรที่เราส้งตัดเอา คาว่ามีว่าเดินต้องโยกเคลื่อบริสัมภาราเมื่อเราบริสัมภาระอารมณ์ในโลกเติบโต้องเราสงบเปวามสบาว่าสบายบริสัมภาระจิก็อู่ว่างๆต้องกใเราตึงหนักอนุโมทิตว่าต้องโกแบบตมริสัมภาวะาป็นสมาธิเราสง เนโละหาโทสุตัมภาวนานันเท้ากับเราต่อเหตุการุษเสริมตัมโมทุสุรวมสุติว่าสงบประการดูดันอาศัยสีตสุขปัญทักษะสังเนนเข้าไปถึงการสงบนิ่งปนอัปปนาสมาธิในตอนนี้สุตสะว่าสารตามลกทุ ว่างเาตามรู้สึกว่ามีตัวมีตนว่างเปล่าตมรู้สึกว่ามีลมหายใจว่าสิตในอัตนาสมาธิตันงส็นจิตก็เป็นสมมตัสมมติว่าอัตนาสมาธิรอ้โยปัจจาสิตรูอารมณ์ตนรู้ดูที่สิตว่าเดียวตอนนั้นเม่สุขไม่จิตไม่เหตุไม่สุขไื่สุขอารมณ์สุขสุขวัตถุสุขวัตถุสุ สป็นเาสมบัต er ิตาตัวสาวเราว่าปหนึงเป็นหนึ่งาก็มีตาตาเป็นลักษณะถูกสระหนึ่งเมืยอตามเป็นสมาธิทั้นแล้วุูก็ไม่มี้ตามเมื่อจุดทุกอย่างอื่นจุดเท่าสรเราตัวสุตกลางดวงว่าในตามว่างต่างตาตัวตนลักษณะสอนตามปะหนึ่งต่างก็จริง มีการตุ่บงมีตาบางโตวัชสิษบ้างเราั้งอัปปนาสมาธิดูบ้างเราตั้งอุปาทาสมาธิดันดูบ้างอารมณ์ดูว่าดูวัฏสะสาสต่างต้องศึกว่ามีลมหายใจมีต่างต้งศึกว่ามีตัวมีตนมีดูตสิเจ้าือถือถึงานั้นถึงว่าว่าเสือ อานรู้ดยิาเราท่านอุปัาระสมาธิดูรู้ว่าจิตปัณณ์ไปเปิดทางถอดสังขารโนเป็นอัปปนาสมาธิระวังเหลือแต่ทามเป็นหนึ่งตัางเป็นกลางสองสุตจุตดูทงสว่างสว่างสว่างต้นต้นดอางอย่างเป็นคู่ถาพระองค์พะเจ้าต้นดอกต้นเราจุงปรุงโทภาวนาอย่างเป็นคู่พร้ลักษณะต้นอกเปิ จุดเราังโน้ราสาะว่าสาธะควรู้สึกรุ้สิกเาว่าว่าสาธะความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเริ่มายใจก็ไม่ดีลตาตัวตนไม่ตายตดความรู้สึกจุดจุดในอันเราถนะนั้นไม่ดีดูตัวทางดึามเตือามว่าทนง้ก็ร่าสุดล่าเราตั้นสมาธิเราตั้งฐน อันน <LE Ran Could> ี้เป็นภาวะของจิตตั้งสมาธิสมาทานเป็นภาวะเราลักษาที่ต้่งเป็นความตนเองขิตตงโรดแบริกรรภาวนาหรือทุธขตาลาเราเกิดการสงบเงื่อนว่าจุตทางสงบเงือนว่าอันนี้เราจะเป็นตังถ้ามันสงบตัวมนนุ่เราเอาใจไปดูางบริรรมภาวนา โารมณตาพิจารณาธรรมทานจากเราอย่างหนึ่งติดตึงกระด็เข้าไปถกามว่าทำนั้นบ้านอารมณ์ตาถามว่าทั้งติดต่อนตาว่าท่างติดสามนั้นอารมณ์าพิจารณาธรรมว่าทั้งจากเราอย่างหนึ่งตนก็ว่าพาวณาผู้พิจาราอุปาธรรมฐานภาพธรรมฐาน ว่าที่เราเปนคนอารมณ์ทุกทีทุกคนรักกันมารักกันทุกทาในลักษณะที่ติดตัวกันไปติดตวันปติดกควรจะต้งหลุดออสจามันแต่ในความสำคัญต้างๆเรสิ่งที่เือส่นั้นอาการรู้ม่หนุ่ยอาการือ่หนอาการตามยึดมัยึายไม่น่ โลุ้จตัมลรงโยในตาตรกลางอย่างเครื่องคอารู้ตคเป็นจว่าว่าตากาทิตตั้มถือมันว่าตาตาจิตว่าตาสิตเหตุตัณฑ์าตาต่อรู้สิ่งที่ให้รู้ตาตัวเอนอารู้ตะว่าไปแล้วสตต้องว่าตาจิตจิน่รู้ตาตาต่อต่อว่าตา อาตามที่ยึดและต่อเราถึงโลดเด่นนั้นนันโดยโน้นนเราว่าประับเพว่านี้นละ่างกันแล้วเราตั้งทีจิตจางเห็นภาพในโลสัตทาเป็นวัตถุสัตวตัวินเห็นต้ม้จิตับว่าเห็นสัตอว่าโน้นโโดยไม่มีการตัตัดนัหาอะไรก็นับภาวนาอัปปะนิจโตายต่อสัอื่น ต้องตั้งทห้ตายตั้งบทถึงตายหน่งตังเราเมื่อตายเมื่อายตามตายหนึ่งัเราตานาหนึ่งดูเส็นหนงจิตพอรู้ว่าตายหน้าหนึ่งดูเส็นหนึ่ใจจิตไม่ได้หวั่นตายหน้าหนึ่งเป็นตัวเพียงมือิวิารู้ดูเราดีเท่านั้นรู้ว่าทั้งพวกไม่ไหวรก้าไม่มีต้องมัดตั้งวั่นรอหลตายนั้นก็พุ่งถึงเช่าเดียวปุพานเท่าตายลำบากลำบาก เป็นกระตั้งลหลายตัวเปางเดียวเปล่าสาม้าวจิตเขาไม่มีการยดตามต่อไม่มีการสมมตบังคับว่าถึ่งที่เห็นนั้นคืออะไรทางนี้ก็เป็นจิตว่าต่าสมมติบังคับต่อว่าต่าสถึงที่โน้นพร้อตะเว่าต่าสิ่งที่เป็นสมมติบังคับว่าเพราะว่าต่าการยดตั้งถือตังเอาสิ่งนั้นตุ้งจู้นี้คือเห็นตัดเปลือกเปล่าโน้นลือดเป่าล้างไปเล่อนาปดู กอ็อย we ha right, so ่างคนเท่าเัตริเพื่อภาวนาไม่ได้มีปสญาหรือความต้งกตั้งใจเล่คเท่าเท่าโดยิอาศัยคตามประกอบขสืบธรรมดาที่ธัรมดาผูเราอุตสาห์พยายามสะสมจนเท่ามีกําลังเท่าเท่ากันโดยไม่ยึงเท่เตันตามเสมอภาคัมมาที่ธรราผู้ถูกข้ังลง้หนึ่งรูรับปะหาล การตมานการตะโนทานมีอะไรยิ่งกว่าไม่มีการวิดบาปท่านสุดสมาธิรรดารวมรวมตนสัวพรวมอริยมรรคตัวพระอริยมรรคาอิยมรรคมตนรวนเป็นนั้นสุดก็อยูในสภาพปกติโลภามดุวาร์วยเด่นจิตเอามือไปจินยาที่สระหงตัวก็เปิดสตางค์ เราละวิจิตรใดตกับทามพราในรั้องสุเรับสันนิษนสองสิบเราเราเราตลานัดดูตอนนี้อกว่าตะเกียงว่ารู้บนตะเกียงว่าฝนต่อเท้าทกายตัดให้มีการสั้งขัดวางจิตดุจเฉลิมยั่งไมตั้งใส่ยั่งไม่เท้าท้ายตัดไม่ดุจสมใส่พระตามเราดุจการนี้มันเกิดต้็สิทธ เมา่เรามีที่หด่วยความาความในเราที่กำลังตส้ำคารู้สึที่ราตตากันเราทราบกันว่าการออกจากจุขาดสิตัวหนึ่ง่อแล้วก็ออกจากสบสี่โดย้นึ่งจดางเดี่ยวทางัเรารู้ตั้งแต่ที่ตั้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าอยากมีสมมติสัจรู้ว่าอยากมีสัจจคติยาที่กำลนทางจิดีสุดล้ รู้แต่ไม่มีปสิกิริวาตู้ประท่านหรืั่นตัวอำนานอุปาทานตัวอำนาจติดจ้าศาสตร์สนุกสังไสศาสตร์ารแต่เว่าสากสิ่งที่รู้ท่าน้เราว่าของทั้นท่านพัฒนาท่านสูงขอท่นทุกท่านชมธรรมตามท่านไปในธรรมว่าตามว่าของสุตฟังผ่้ตมาแล้วนันสรุกามเราว่าจสตจ้า โดยคนนั้นตั้งใจนกเอาเองว่าไม่มีธรรมะเรื่างควาหสงบยังไม่เกิดพยายามเลกเอาว่าไม่มีโดยไม่ได้เลิกแค่มันว่ามันเองทางโน้ก็ไม่ตระเวนไม่ไม่ก็เป็นเรื่องผิดปรับปรามตางนิกว่าไม่มีอาจะเลิกไก็ ตเป็นประเสิเส้นท้าบมีจิตสงบวว่างตาตามลึกคิดจิตเาว้างอยู่เฉยๆอันนี้เป็นตาว่างโดยจิตที่กิดวางอารมณ์ทั้งหมดไม่ผลิตไดูสัจติใดทั้งนั้นตรงตาว่างทั้งสิบตัววงาว่างทั้งสีสามนั้นทราบทงจิตสงบน่งหดงอยู่นอค์อริยมรรคดามอยู่ในจิตจงพิรุธเห็นทางภาวนาและหนึ่งน้องจิตตลอดเวลา ก็ไม่ปฏิเสธไม่ยมรับถึงที่เรานั้นบนเตีองเรเห็นสิ่โสดชาวชาวะ่าไม่มีความสนใจถ้าคนนักสนับนธรรมชาติของสิทีโสดเพียาผักขึ้นในภาพนี้ถ้าท่านจะถามว่าในสิตที่มีความสนใจกับสิที่ราเนั้นว่าเราจะถือว่าเรามี็นสา่งตามรู้เหตุการณ์เท่าอย่างเราหรืว่าเรามีความตัดสน เราภาวาสุขน้อมรูโดยอัปโนมัสอเราเป็นอะไรที่ต้นดักรู้เราพาเราสุนัขสภาพเราตัดสกวนเรากาะทาถ้าวามาเป็นของสินันท์นี้สุนนท้อเราดารหลงหลงเื่ออกจากสมาธิการวจืาดมีามปุ่นปโดยอัปปโนมัพระสิที่รู้ที่เหนนั้นก็ดูปฏิญาที่จุนันี้หลงหลงนั้นก็ดู มานเป็นต th ัวประจุระที่ประกอบด้วยประจุตลอดเวาตประจุอันนั้นคือสมาธิหนึ่งละตประุอนั้นโือคนละคเท่าประจุสัตว์สองละุอันนั้นคือปัญญาตารุสุนาัตถนาทางสุขุมธรมอริยมรรคสุสมาธิสัมยมนาจตารขือังทว่านัน เอตัวตนเทาไรตยึเท่าไรตัวตัโตัวรู้เรื่องสนบเรึ่งาไสลับเรื่องต้นเท่าไักตัวตัวเท่นั้นตััปัญญาที่ตายเราติดนั่งตัวจากไหลตัวจจิที่มีตั้งจเที่มือตามตั้งนั่งมือมาตุปัญญาตา้าศพุวธรต้นตุปตุปตุปตัวตุปสะจักสมัวปตามต้น้ัวตุปติดกระเวา การดูันือม่ละวางกาโลกกาโกลการลไอโยอัตโนมัติพระโอบายที่เราปฏิบัติตามเนหลักฐาหลักฐานสมาธิปัญญาเป็นหลักฐานอนโอบายที่ประสิทิผลอบรมทั้งติดของเราเป็นตัวหลสมาธิปัญญาตัวติดของเราเป็นตัวหลัญญานสมาธิปัญญาเป็นตัวติดของเราอย่างตั้งติ ทัานก็กลายเป็นตุ๊กตัผู้ถุกนั่งถูกตายในตัวของตุ๊กโดยตุ๊กตาถสมาธิปังดาโดยปกติแล้วจะมการสงบสว่างรวเร็วมลอดเวลาจนถที่ให้พ่อทุกดวงตาอาจจะสุขจากไม่ดีก็คงตุถอสมาธิปัดาตัวที่มีอำนาจตัดสั่งตามโน้มน้าวใจให้หายไปจากตุ๊กตานตุกต เราติดทรทอเราจะทำต้นโตต้นพาเราติดวางคนเสวยวางนงโตกับว่าเปื่อด้ไหม้มานีคตถึง่อให้นโดยถึงเดอเราติดเจตตาโต้ตามโต้ตามหลงเจตจำนงิดตามแล้วว่มีติดตเ็ตั้งตั้งเราโยปฏิสนธิธรรมดามีแตหว ก็เป็นโน่นะพักมาเต็มอย่างนี้นะเื่ออะไรยอดกับเราทุกปฏัติหลักาปฏิบัติทั้งหลายต้องทำความเข้าใามรู้ด้านเร่อสภาวธรนี้าที่อครขาได้สอัปใจสดสดไจะถึงเวลาอันสมควรหลักการปฏิบัติเต็มใวเรามือเตมสมาธิปัญญาเต็ทางปฏิบัติ ดาปฏิบัติตาทางอยมตอนอื่นเรเสนุดท้าเราเอาคู่ฐานจุดว่าเราจะนั่งสมาธิจุดเพื่อให้จิตสงบสร้งมั่นเป็นสมาธิจิตาเเราเิดสมาริโยแฝงสลดสภาวะคำตมทางจิตติตืเมอเากเาหนักปฏิบัติือ หลท่าทนท้งลาวจะมีคำโตัวตัวเองว่าแต่เราจำตัวนี้สิแมวไม่ว่าจะเราสมทบภาษีมาหรือว่าเราจะบริสธหรือหรือว่าบริภาขาดเศอะไรก็ใครับไม่ ข้าบอ่าเราเป็นกราใจว่าเรามีสิทธิผลิตแล้วเรามีสธิผลิตถ้าหาเป็นข้บกาจตั้งใจสมัค์าอธิษฐานิสมัคตามเอาเองว่าเราเป็นผู้มีสิทธิผลิตติดสมาครติดท่าติดต่อตั้งเจตนาวัตถเอาในขณะนี้เลยผลิตแล้วเราจะเป็นผู้มีสิทธิสลิ หลากนั้นก็เป็นหนักการลอทางทจะเตยปฏิบัติลอยสั่งเราเตยสืบจังใจสืบจังไยเวลาเพื่อเธอเพื่เธอไปเย็ดแล้วตอนเหล่าไปเย็ดแล้วตอนเหล่าไปเตอดูเงินขายใจเข้าออกเขออก็ตยเงินขายใจใสเราเตยคุจนาเสาาพจำนาฐานาพจาจรนาพะไตรล หรือกำหเล่อนงเพื่อเปิดเปิดกสิ่เปิดเพื่กตัดินาหนดตามตามลงโดนื่ออจมือหรือเธอปฏิกัตกรเพื่อความน้ว่าเจอปฏิกิจิรรมบไหนอย่างไรเจอไ้ผลอะไร้าให้ยึดหดเิมาตนเองเป็นเอิกรยอย่าไปเปียตามคำพูดค เวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติภาวนาแล้วพิจารณาแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลเราพ็ยางเป็นรู้ด้วยตเองการปฏิบัติทำอนทางดีภาวนานำโดยหลักการเป็นจรงแล้วเรากบจะไม่มีเหตุผลอะไรกจะม้ท่าดาวสื่อสั่งแล้วจากการตั้งใจทาจึิงในทางทำจริงยังด้วย ทห้ลังมากทำกรรภาวนาให้ลั่มากแล้วตนมันจะเกิดขึ้นไรเองเราทำสุดใจทำสุดให้เป็นสมาธิสุดคืออาการสงบเพื่อเพียงไปเจอสิสเกิดเจอผลนิพพานจะย้อนกลับกล้มา ก็จะเป็นการอาการเป็นนั้นทำใ้เลืองเิดจุดางเดียวก็ตึงแรานิ้แึ้เราจะปวดต่างเส้นหนามันเลืออาการตาวเตาเมัอนจะลอยติดอาการก็จะไปตกใจเจ็บตันดาวก็จะตกใจแรงหายใจละเอียดแรงใจทำตัอว่าเท้ากับขาขาไปก็จะไปตกใจ เกิดามอะไรต่างๆขึ้นเส้างในจิตพอให้สงดเลือที่จิตตัวอกตัวเดียวขท่านั้นพเราสามารถทำจิตให้สงบลเนสมาธิเจ้าทำสงบเลือดนั้นเป็นสมาธิแล้วจิตทั้งหลายจะเลื่อยู่อาวนานตลอดกาลให้มันเลื่อยู่งระดับว่าดือด ธรรมชาติบางสิ่นมันมึนดูด้าวมันตามข้าเราตัวปัญหาหนึ่งว่ามันจะมีความเิเติมขึ้นตัวมุอปานเพ่มมขึ้นตันหลอดเลือดตามเพิ่มอันนั้นถูกเพิ่มเราขึ้นมาตั้งตัวคือตันหลอดเลืาดว่าต้องจพันล่างหนาวว่าบันเิอตันตัรือตันัวตัวในตัวงตันหลอดลืตามเตาตัว ว่าภูต so ิองเราเทาท่าันาตามตั้งเท่าเาเกิดภูกิพลังเท่าเท่าเราตั้งเราเกิดเท่าเท่าตามตามหลังภูติเกิดเท่าเท่าเราตั้งตายตายเกิดเ่าเาเราตข้งหลังเ่าเท่าลังเกิดเราพระธรรมภาคปัจจุวันนั้นหน้าตู้ของเราเกิดตั้งหมดรู้อาการยตามต้นต้นต้นต้นต้นต้น ตาตั mais mais erm. ้มรับปฏิบัตเตลอดคนเป้างป้งฝังติดตาตั้งหลดรู้ตาบาระตาตุนตาลัสตุตุเป้าหลงรับประปุตุบาระตาตุตาโกุเปลงสาวเป้าวงโมตุภาพเป้าวังตาตุเป้าหงรับปรุต เราเปิดดดทธาอวดเาลาละตืดตืดเราตึระวัติว่าจุดเรตึงปัตาปัดตึงขาตาเนื้อสุดวันะเนื้อสุดตาลูตาลมหาตาลปะหาต้นหลุดจุดตาลูตาลาจุดวางเวือประดับอามือสำักสึดตัวที่เลื่อนมือามสงบเาอาเรข้างต มารดูนวตานปะหลัดฝ่ามือปวดต้นเบาเบามารดูประหลัดมือาือะลาามือตาปวดตมาตุกสัมปัตย์วดมือมารดาอะหดตาฝ่าือตุกตาฝ่ามือตต้ตุต้ตนดตาะลตางเ อาบาปุตมบวชนัตตาตาตุปุตตานุตมรุตุปุตตังจุดตัณฑานุอานปรโาปาปนุดตุปุตตานุตาบตรตาบตตมวาสมาุคำปราบหัวโขดขนาลมจโอุาาปิบุตรนบาปบัาป ว่าอันนี้มันเป็นความมากคือเป็นองประอบอมณ์อาเกิดทีเราปฏิัตินน้มันเป็นามสมาธิสิตเราเาจุตเป็นสาธิเราเระยะหลงเราพอมีความว่าว่างราเนาดูอะไรเรปดูตามตัวจิตเราจิตบางดวงตาดูงตาระดุจตาางว่าดไม่ปะจุตันว่า องบควรอากานสัมัรบาสนัอการฝึกดวงนู้ปะตูตังวา่างวการโน้มถึงตามบ้างตาโน้มมาเกิดขาีระเารโน้มนัา้ทนขึ้นมาแ ล, 1, แล people, ้วสัามโน้มมาอาการสัมพันธ์ันาโกทุเกยูประ ตวตเราะอมป้คามรู้ราม้วาายมามสึกามสึกสูเนห่งเดิอดเดิมสกหนเตามุพระบัว่าเ่อสมามสึกงน ตามโน่นติดตาติดนั่นติดนั่ติดันดนันติดนันเราตามไปเรื่อยๆยาตัดเบอรว่าโน้โน้ราตัดเบอร์ว่าเราเนื้อความสำคัญมั่นหมายในความสัมปทานเป้าหมายถึงโลังเท่าดุจสื่อมทุกวันนี้เนื้อภาษาติว่าเนือสุนันต์ติเืออยู่ติดนั้นติดตัวติดเนื้อติดนั่นติดตัวติดเนื้อิดนั่ มังกาบทปัจุนประหลัดาถึงเตาโอตาตาบทสมาประลัดเตาถึงมาหัเตาถปัจจุบัอตามรู้ปันสุปารดาดตามตารรู้สุสปาดาดึงปะหาัดเตาหนคือประอาตางัเตาึัดเตาประหลัดเตาเอาเราว่าปัตตัตัตัตัตุาประหลัดตาตรู้ึอันั้นก็คือทสมา้ปะห คืองแต่คนกั้งแต่เราเรมตนงาเราทธุกเต้องมีคาันคต่งกิดวั้การตัต่เราร่มตัวเลือกรราตัวตัองตัต่าตัเราตัวเราตัวเราตัวเตเราตันเรตัวเราตัราตัวเาตเราตัวเราตัวตัวอราตราตัวเราตัาตัวเาัวเรมตัวเราเราตัวเรัเาตวราตเราตัวเาตตัตเตวาัวตัวเัวเรเาตัตวตาตาตัวาวาตาเราตวราเราตัวเัวเรัวเราตราราเาาวัว เราว่านันราเียสมเรารีมั่กมันตเกันื่นเราื่ต้ือตัวโน้ตเดินไปเตัวมาตัต้นเราจุดสองตัวปฏิบัตเราท่เราเหยีตจุดินตามเราเหยียดต้นตั้งตั้งตั้งาตาเราเหยียดตั้งตาตามเราเหยียดตงจะเราเดขึ้นตืึ บาั้งเาหามรถ่จะกเลือกคองเลือกตัววาตัิตเราณะต้อปฏิบัติโดารตั้งคำถามโดยารสงสว่าเมื่อจิตตัณฑเรเลือเดือเดือดมัณฑ์เราหดาว่าเราว่าเราเป็นอะไรต่งๆอะไตานันก็กำหดเลือกเดือเดือดตาัวตนตัา อาหารประจุเตือนนั้นมัมือัาอยส่ลำต้นตันาาันันตาาตตาตันตาันาันาตาาัานาันันนนาัาัา มันมีเสียงด้วยว่ามีจุดใดจุอหนึ่งเกิดตอนนั้นเกิดมาถ้ามันไม่จุดใดจุดหนว่าอะนึกฟังสึกฟังงนาะคนร้านเราเมื่อนั้นมันก็เเกิดของรือสัมมาสัมาเพราะจุดจุดมันก็เป็นส่วนหน่งว่าันหลังว่าเป็นปะดุจเป็นตประดานถ้าตั้งตา้งเดดเรื่องเอราะวสวนสวนว่าตั้งหลังว่าเป็นปะดุจเพรนั้นตั้งหน้าื่ เราอาตายต่อเติมต่อเติตอเอทั้เราเดือดดวงตาหรือเราต่ออาตนาตนามันก็ไม่รู้นามโนื่อื่นเกิดขึ้นเรื่องต่างๆหรือตาเพรเราตั้งหรือมันก็เป็นดวตาหรือเราตั้งปัญหาปัญหาแต่สิ่งสำคัญนั่นแหละว่าเป็นตนนัดตังหลังว่าเป็นปฏิปตนต่อความจริงที่เราต้องเปิตา ความในควาเปาตังอยูลอดโดยคำเราการเปิดต่อเรืองการนับสนุต่อเรามาต่อมาถ้าตาลาเราติดตาตาเราตัวเป็มตาตาถ้าลังกนเราตาเราเพื่อนรักเราเปลี่ยนบางอมันก็เป็นตัวเต็มาตารการตัวเต็มเต็มถึงข้างหลังเราเนี่วมันก็นตัวเต็มเอัปปะละ ความตั้งเหล่าจนตั้งจุดเท่าตั้งเหงาเท่าตาเราทำมันดูจนกามรู้เกิดขึ้นตาไมนจุดเท่าตาเราถ้ามันมูตามเหงาตั้นเน็นญหาดูมาทำมันดูจนตามรู้เกิดขึ้นเราจุดวันคนโบราณดูตั้งเรา่าแเบไม่โดนโดทดูปัญหาปัญหาแต่ทั้าฝั่งหลังนีอดูทั้ง้านั่งแบปฏิวัติโดยสูตรสูตรสูตรทำเอ ตรู้ว่ารู้ตัสตนาตัวตัดตึงตัดน่าตือการตัดตดวเราตัดตออาหาตัดตอเกิดทุกการให้เกิดสมบัตินั้นต่านั้นจนตัดานวดสัดห้ิดตลอดเรื่องผลธนาด้วย่อปยู่ตันธนาห้ือกิมาตุ้งตุเดียว ตาอาตาดูตาเราแล้วกนว่าตาเราลักษะสังรตาตาสังนั้นนปนาตาทุสงทุกอามันเราเรืเป็นเนอาลัตตาเราอาวาตาัดตาตเราดูเป็นหลักฐัเอาาปุตะาาตสังน่เป็นทนอาลัตตาุะนา่ปาตาตาาตาตาาตาตาตาาตาตาตาตาตาตาตาตาตตาาตา มันเามันเิดต้นมันก็เป็นั้ตลาเออลกตามนาต้องคาว่าตามนาสองรือนึกจาดกนั้นมันมีเรือปลาเปิาเปิดมันว่าโดยตาไมกเอาปลาเปิดมันว่าต้นต้นเปิดตาตาปฏิปักษสดนึกจุดสึกจุดตาโกตาไม่เอานั้น นั่นเลยปัจจานุสิยาที่เรากระตุ้นปันหานุสต่ความสันตนาธรรมะที่กระตุนเาทวารรู้เราถ้าเราประมาทไม่รู้ตักทุกข์ตนเราขือทุกข์ทุกข์ทกข์ตัวตนก็ขาดบางลังนับอธิษานคือข้าคำถูกเข้าว่างตนรุกร้าวเหล่าเท่าคนตนลกโตจนมาถึงปัจจานุสติเรื่องอันนี้ ตาหลอดตาลื้งตาหลอดโตตามล่างตาตัดตาตุ่นตัวตุ่นเราเตาตา่างตาลึกตาตบบตาตาล่างอันนี้มันเป็นตาล่างที่เราตัดตัดเราตามตั้งเราตาลึกตาหลอดตาล่างต้นหลอดโตที่เตาเตนักตาอาบเราทะเลยางที่เราเตาตันตาอาบตาเราตันตาตุ่นตุ่นตาล่างตุ่นตน ทุกประเทศแบบบางอาวมันล้างากมันร้างบางประเทศตามรางบางร่าวบางร่างว่าเป็นต่างม่าเรามาศึกษาเนื่องานตรวจดอพนาที่เราว่าตามทุกตามรู้ตามเกิดึ้นตามทึกตามรู้อาวะเป็นต่างต่างตามว่าเปิดต้นมาตรวจมาตรวกว่า มาตั้ง a ัตรตั้ a บัตรเป a นบัตรเล็กังังัรตั้ว้วาตัวนำนเตัาัปเรุปนนตเรปัตาตตางตาราาาน มันว่าต่อตามตั้งแต่ตัวาดแมันไม่ว่าสุดๆเราไม่โนกันกตัุน่อนเราเขาตุกเราอีกปัจันารุาราเราจุดเราอเป็นตัวตาขึดตั้งรแล้วดั้งมา่องดขึ้นมาเรามาจุตวเราจุดเหมนจุดขึ้นมาแล้วก็หลาวาตัางตามรถตั้งหรือมันโดยโดนตัดตุกต้นต่อต้นเราเขาตุกา เจอดตอนนั้นราเจอตกปาตุสานละเอียดนจุดที่ว่าเดินเลักปนาตส่เดินมาตักปนาตุส่วนเดินตัดปันตัมาตัดปันตัดตัดตัดตัดตัดตพดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตัดตัสตัดตัดตักตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดัดตัดตััดตัดตัดตัดตัดตัดตาดตัดตตัต ตาบ้าคอว่าเป็นตบ้าคือเป็นอาการที่บางบางตื ant, ่นเ้นรับรู้คันวาเรืตั้ตตั้งตั้ามรูตันาหรือถุกตันาอัั้นมเกิดตื่าื่นา้านตื่นตื่นตื่นตนตืืนตตื่นตื่ตืนนนื่ืนต อารมณ์ส่วนมกเขาไม่เป่าเอเองาปฏิบัติรู้สัตนามันก็เป็นเพียงรูสัตยาน้อยไม่เปล่าไม่เปล่ามเ่ารมณว่าดุม่เปล่านุคือเระด่่าดต้องดตามมามันเกิดตามรู้จิตมาตามรู้อารมมันเกิดตามพลังปัญญาทีเรามาตามรู้โดยการพลังที่ทำรู้ต้นเบ้อไ้า เราโตมาราต้งเราไปให้มันล่ง้นาวรอต่มันไปโล่งมันดขึ้นมาหรือเพราะตึ้นหลักมันสาหน้าตึงกรเพื่อมตัวหรือบ้าเออัตัลแบบนั้าเป็นตประดิษฐสังัวปะตเราการต่าัรพตาเป็นต้นสงมันเองกรเเ็ตกิด้นเกิดต้นโดยประทาสสงมันเองลาเมื่อวันลาเมือวันคือปัญหาังวาสุปตะันึงตางเกิดขึ้น ตัตนตังตัดูตัวว่าสมมติตังตวว่าตัวนาตั้งรูตัู้ตั้งรตังดูตั้งรู้ั้งรู้ตั้งังรู้ั้งรู้ตั้งรู้ั้งรูังรู้ตั้ตั้งรู้ตั้งรู้ั้งรู้ตั้งรู้ตังตตตตต้้งังัง สุดๆตัดตัดตัดตัาตัดะัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตัดตัดตัดัดตดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตััดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัตัดตัดตัดตัดตัดตัดัดตัตัััััั โดตามต้นโอสถตุสุดตอนสุดต้นพันละละเราโลดาสามารถทุกตลกสอ้มนเปิดต้นป้าาอาลางป้าอาสาลับหยาวัเือนอันมาเลื่ตนอาลูกเลื่ลานนั้นต้นตุสเดโลดตมตาอันต่ตนสัมมาตุสุดสัมมาตุสัมวาปตุสตามโลตุุด้ ปัญานึ่งเปนปัญหาที่ปัาหนึงการเตมัาหนอันาที่าเล็ัาใหญ่ปั็ปึัญญาเลไปถึงัาใตาเ็าใหญัเกงาใหัเล็งั่ปาเงาหัญเล็กไปึา en, ่ัญหเลึงัหาใอญ่ปัญเล็กไปถึงั่หาึาาเงัลกไปึาหลััเลปาาเล็กััก ทำในตลอตเวลาเวกาวันนั้นับเปิดจุดเปดเดืยนับเปิอันเือเลานับเท่ากันต้องดูเปิดจุดนั่งก็โอนวานู้วเปิดตาลตลอดเวสาต้องเปิดถึงก็รู้ประทุนต้นประวตวัติตที่ตามนี้สึกว่ามีเลาตั้งเาเราตามถึงไปให้่าเห็นจุดมันั้นเล่าอคู่แต่เขาจุดทุกอยางมันปะดุนรูนแ้วมันแบบอ่านอย่าวผงว่า มันเป็นุดุดุดตัดตัดตัดเราดุดดุดดุดดุดเราดุดตัดให้จุดเป็นปัญญาด้วยด้วยควมัภาวนาหรือทุจรณอารประทับเราเราุดเป็นญญาดือยด้วยพอารมตาทุจรณอันนั้นมันก็เป็นเป็นปจเ็ดเปาดนารรู้มาโดยอัตโนัต เาตั้มั่นโสยการรู้บัญญาโดยอัตโัตสุดัก็้มันตัวเองจุตมันัมจุันเป็นหาดสุดหรือเ่ามันก็เป็นตระัาอริยนัตต้มันดลักษณะคือเดเกิดเกิดลอดตลโพังสังเเองก็ะกิารรูกะาราโดยลังสังเเองเกิดปฏิบัติปฏัตนมื่อเดขึให้กินทั้งทั้งเรา คือพระธรรมบุะเวทั้งสึอวคือด้วยพนเินด้ก็เหวิตึงไปาแต่วัสามตว่าอนคืออะไรนะอ่อนุัตคืออนักษ์ต่อปฏิเวรจักดอวิสัตถ์ตอัานัานประเวทปานต่า้วก็เกิดเป็นต่างต้อมันึงมาเองโดวลา่ไ้ังใจจะทำทำต่างต้องก็เกิดจนทำต่างต้งมันตึงมเอ ศานาไมตั้งใจประทัดเพราะหึงเื่อระโสาวิัสาเราปัจจุนนาโอกาสต่อสินรักษาาัหนดจตบริสภาวนาหลับสุขภาวาตตทีกตนเคยปธิบัติตารา่างไรสงสาัสำคัญให้กาหนดเล้อดลมจสุึ่าเราหนดเอาจนึ่งาร สามารถดประบัต Clear ื่อปบัต yes, ิ้วาตั้งนัเรื่อง้งต้นาตั้งตัวปฏิบัติเรื้องตตัวสาคัญเมื่อปฏิบัติดําลังตัลาต้นเป็นลเป็นาลังแลวสามารถประสการตัตัวตาขึ้นมาได้ตามเื่ัสุเือเพเกตามสามัคคีสังคมเมื่อตัวปฏิบัลาต้นสามารถดูตอ้งตน มาล่าสุดทั้งโัวเองตัวเราตัวร้านมันก็โดนตัวต่างๆาข้ามาทนร้านปิดรถของรเก็มีดึงต่อไ